ช่วงสงกรารช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงสงกรารอยู่ก็มีโอกาสได้ทำบุญบ้างแต่ก็นาโมธนาที่อาศัยวันสงกานวันกรณีพิเศษมาวัดมาวัด เพื่อมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงว่าจิตใจของแต่ละคนเห็นคุณค่าของธรรมะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในจิตใจหวังพึ่ง ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นจเจริญขึ้นประเสริฐขึ้นจนกว่ามันจะดับทุกข์ได้ที่ว่าจเจริญขึ้นเนี่ยก็คือความทุกข์นั่นแหละมันน้อยลงไปเพราะทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นทางเดินของจิตใจ พุทธมักคาทางเดินของพระพุทธเจ้าการเดินตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางจิตใจไม่ใช่เดินทางร่างกายจิตใจเดินเดินยังไงก็เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นมีสติสกร์เพรตัวสตินี้เป็นตั ว, วควบคุมจิตตัวสติวควบคุมจิต รักษาจิตระวังจิตตัวสตินี้เรียกว่าตัวระลึรกรู้และระลึกรู้อยู่ที่ไหนและระลึกรู้ให้จิตของเราอยู่กับตัวเรากำกับจิตไว้ควบคุมจิตไว้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยถ้าใครสมัครใจว่าจะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือ เห็นคุณค่าของธรรมะอยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมามีสติเข้ามารู้ใจเราก่อนรักษาใจเราก่อนพอใจเรามันอยู่นี่ถ้ามันอยู่นั่นแสดงว่ามันเริ่มมีสมาธิแต่ก่อน่ะมันไหลออกไปมันพุ่งออกไป ต่อมาสติคุมมันไว้กากับมันไว้กั้นมันไว้ระวังไว้ไม่ให้มันไปไหนมันก็จบจออยู่กับอารมณ์เดียวนี่มาอยู่ที่อารมณ์เดียวแล้วจออยู่ที่อารมณ์เดียวอารมณ์อื่นๆที่มันเคยกุ้มหลุมจิตเบาลงจางลงน้อยลง แล้วมันก็จะค่อยๆหมดไปนี่แสดง ว, ว่ามันเป็นสมาธิแล้วมันอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นดับไปหมดแต่ทีนี้กว่าที่มันจะมาอยู่กับอารมณ์เดียวไอ้ตัวจิตของเรามันเร็วที่นี่พอสติของเรายังไม่มีกําลังพอตัวควบคุมเนี่ยกําลังยังไม่พอควบคุมจิตไม่ทันจิตมันเร็วมาก เดี๋ยวก็ป๊บออกไปแล้วออกไปอา้าวลูนานกว่าจะรู้บางทีบางทีก็รู้เร็วบางทีรู้ช้ารู้เมื่ อ, อไหร่ก็เอาใหม่อันนี้ขั้นต้นอันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นสติเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นปฏิบัติตอนแรกแรกพอจิตเริ่มอยู่ึ้นมาแล้วก่อนรู้สึกว่าสบายขึ้น เนี่ยมันก็มีความสบายขึ้นมาด้วยนะมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบมีความสุขความสบายมีความสงบมันสงบก็คือจิตเนี่ยมันมันเหมือนกับมันหดตัวเข้ามาเข้ามาอยู่ภายในมันไม่ไหลออกไปข้างนอกมันหดเข้ามาอารมณ์อื่นๆก็เลยดับไปทีนี้เมื่อเป็นสมาธิแล้วเราปฏิบัติไม่หยุดที่นี่เราเพียร เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีความเพียรยังฉันท้าให้เกิดขึ้นหมายว่าให้พอใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ให้พยายามเพียรให้มากเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกละครองจิตไว้ตั้งจิตไว้มีแนวให้จิตอยู่แล้วคอยระวังเลยนะนอกจากจะ ประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้และระวังด้วยไม่ให้อากุศลอากุศลก็คือความคิดที่มันเป็นพวกกิเลสพวกตัณหาอุปาทานของเรานี่แหละไปเอาเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเข้ามาหาจิตเราคอยระวงังกั้นมันไว้สังวรสังวรปรทานเนยเพียนเพียนเพื่อ ก, กั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามา กัมอาคุศนอาคุศลก็ลคือพวกกิเลสปัญหาอุปาทานมาจากพวกกวิชาพวกนี้ละ่ะการไว้จิตเราก็เริเ่มแนวแน่มากขึ้นเลยๆแล้วทีนี้ถ้ามันหลุดเข้ามาแล้วละ่ะเออมันเร็วนี่ยมันเร็วเนี่ยโผล่พุทเข้ามาแล้วอะ่ะดูตัวมันมาแล้ว เพียนประหารเพียนละทีนี้ละเนี่ยมันจะมันละไม่ได้กําลังไม่พอถ้าคนไหนกาลังพอนี่ละปุ๊บเลยพอจิตทาท่าจะยึกยักไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามานี่พอสังเกตจับได้เท่านั้นแหละมันก็ดับแล้วแต่ถ้ากําลังไม่พอเนี่ยมันมาแล้วบางทีมันปรุงไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ตัวเพียนประหาน เย็นละมันคือไม่ไ ม, ไม่ไม่สนไม่ไปปรุงต่อไม่พอใจอย ไ, ไปปรุงต่อไปคิดต่อเอาอย่างเช่ น, นแต่เป็นนึกถึงเรื่องราวที่เขาเคยว่าเราส่วเขาดินทาเราพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเหตุนนะี้แทนที่จะเอามาม า, มาดูมาดูอาการของมาันมาจี้ดูตรงความคิดมาดูอาการคิด ก็ไปกูงตอแม้มันว่ากูอย่างนั้นว่ากูอย่างนี้กูน่าจะตอบมันไปวันนั้นกูตอบมันไปมันตอบมาอย่างนี้ไม่ทันมันมันก็โมโหขึ้นมาอีกอันนี้คือตามคิดตามมันแต่คราวนี้พระจ้าสอนให้ะหารเหยละเหยละนี่ก็คือว่าดูทิ่นไม่ต้องไปคิดตามมันละดูความคิดเลยดูอาการที่มันคิดนั้นพอเห็นอาการคิดนั้น อาการคิดก็เบาลงเบาลงอทีแรกก็เป็นเราเจ็บปวดทุกทรมานคืถ้ามันมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันมีตัวตนอยู่มันมีตัวต้นก็มีตัวปัญหาคือเราไม่อยากให้มันเกิดอ่ะแต่มันก็เกิดของมันน่พะพอมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติยังไม่มากพอ มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ใจของเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เลยวนเวียนอยู่ในจิตเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเรารู้หลักอาไม่เป็นไรเทียนประหารถ้าประหารมันยังไม่ได้มันยังไม่ดับไปก็ปดูมันดูมันเดี๋ยวมันก็เหมือนกับว่าสติสติที่เข้าไปดูนั่นแะมันทำให้จิตเราเนี่ยมีสติเพิ่มขึ้นขณะที่ดูอยู่นั้น สมาธิก็เกิดขึ้นด้วยเนี่ยมีสติตรงไหนสมาธิอยู่ตรงนั้นปัญญาก็รู้ด้วยพอเรากำลังดูมันรุ้ว่าการที่ดูอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีความรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราเราเป็นผู้ดูไอ้ปัญญาก็เริ่มเข้ามาความเพียรมากขึ้นศรัทธา ม, มากขึ้นกำลังจิตเริ่มมากขึ้นพอจิตมีกำลังมันก็เริ่มเหมือนกับมันหดตัวมันเป็นสมาธิละมันก็เริ่มหดตัวกลับเข้ามาหาจิตใหม่ ถ้าจิตมีกําลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันถอยถอยเข้ามาหาตัวเองไออารมณ์นั้นก็เลยเหมือนห่างๆออกไปมันจัดสังเกตได้เลยนะแต่ถ้ายังสังเกตไม่ได้เขาต้องดูไปก่อนคือ ข, ขึ้นอยู่กับกำลังของจิตอะ่ะถ้ากําลังมากพลองกันเร็วอะ่ะมันก็วางได้เร็วเพราะจิตมีกําลังแล้วมันก็ถอยออกมาได้เลยปล่อยเร็ววางเร็วอันนี้นี่จิตมีกําลังถ้าจิตไม่มีกําลังมันก็ต้ดูกันก่อนกําหนดดูกันก่อน เพราะบางคนทำไมจึงต้องกาหนดดูบางคนทำไมปล่อยได้เลยนี่แหละกำลังของจิตทีนี้พอดูไปจิตมีกำลังมันก็ถอยห่างอารมณ์ที่มันมันมันดีนบพันจิตอะเบาลงทันทีเลยนะมันจะรู้สึกได้เลยในจิตเราเนี่ยนี่แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรอกความทุกข์ไม่ได้อยู่ตลอดไปเรื่องราวปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ตลอดไปเกิดแล้วก็ดับมันเป็นแค่ความคิดความคิดเป็นนามธรรมเฉย เพราะันเราระวังจิตไว้ยอมรับถ้ามันดีบคันก็ยอมรับไปก่อนเพราะว่านั่นแหละคือการปฏิบัติของเราไม่มากพอไม่ไปยินดีไม่ไปยินไล่กับมันละอดทนเอายอมรับไปก่อนสู้ไปก่อนนี่การปฏิบัติเนี่ยมันถึงต้องเพียรที่จะปฏิบัติพอจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วเราดูไปดูไปเนี่ยมันเขามันมันเหมือนกับว่า จิตเนี่ยมันมันถอยออกมาจากอารมณ์นั้นได้พอมันมีกําลังพอกําลังไม่พอนี่ยมันถูกแรงดึงดูดของอารมณ์อ่ะมันดึงไปสมาธิไม่พอจิตไม่เป็นตัวของตัวเองจิตก็เลยถูกแรงดึงดูดของอารมณ์น่ะของกอิเลสอะ่ะพวกตัณหาเนี่ยพวกอุปาทานทั้งหลายเนี่ดึงดูดตายเราก็พยายามทำสมาธิบางทีก็ถ้าหากว่า ถ้าว่อารมณ์กรรมฐานเดิมของเราอ่ะมันสบายกว่าเราดูกับกรรมฐานเดิมได้แต่ถ้าว่าดูความคิดมันสบายกว่าเราดูความคิดดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นได้หรือมันก็ดับไปพอมันดับไปจิตเราก็มาอยู่เป็นสมาธิใหม่มาอยู่กับตัวเองใหม่นี่เรียกว่าเพียนประหารเพียนละบาปอกุศลที่มันเข้ามากุมหนุมจิต น, นั้น พอพวกนี้ดับไปทีนี้มันก็ฝ่ายกุศลมันเจริญขึ้นที่นี่ก็คือฝ่ายสติสมาธิปัญญาของเรานี่ละเออเป็นฝ่ายกุศลหมดเลยที่นี่ออพวกที่มันทําให้เราเป็นทุกข์มันมาบีบคั้นใจเรามีเรื่องมีราวขึมีจิตเราทําให้จิตเราเหมือนมันลบลุงลังเหมือนมีเรื่องมีอะไรมีมเหมือนจิตเรามีแต่ขยะมูลฝอยมีแต่สิ่งสกรปรกลบลุงลังมันก็ดับไปทีนี้มันก็เหลืออยู่เนี่ยก็ สติก็ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นความเพียรดีขึ้นใจเราก็เบิกบานมีสุขสบายมีความสงบลมเย็นขึ้นมาอ่าเป็นฝ่ายกุศลแหละที่นี่สติก็ยังอยู่สติก็ยังอยู่ดูอยู่รู้อยู่เีอันนี้เลยว่าภาวนาประทานเพียรปฏิบัติ เรียนภาวนาภาวนานเป็นว่าทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นสิ่งที่ไม่มีทำให้มีขึ้นสติมันยังน้อยก็ทำให้มากขึ้นสมาธิมันยังอ่อนก็ทำให้มันมากขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นปัญญายังกำลังยังน้อยก็ทำให้มันเพิ่มขึ้นความเพียรกับพยายามมากขึ้นมีเป็นฝ่ายกุศลทั้งหมดเลยแล้วผู้เ้าก็ ให้เพียนต่อไปอีกเพียนอนุรักษ์อนุรักษณาประธานเพียนระแวดระวังเพียนรักษาเพียนทำให้มันมากขึ้นจเจริญขึ้นเพื่อที่จะให้มันภัยบูนภายบูนโน่นมากจนมันพอพอที่จะประหารกิเลสได้พอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั่นเป้าหมายมันอยู่ที่นุ่นเพราะนั้นที่เห็นอยู่ที่รู้อยู่นี่ มันเป็นเหมือนทางฐานละเหมือนเรากําลังเดินทางอะคุณนี่ไงนี่แนตะ่ทางมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีหน้าที่เดินไปเรื่อยระหว่างนั้นก็อาจจะมีบ้างเออจิตมันสงบมันสบายบางทีมันก็มีความตัวเบาตัวลอยโล่งโป่งเหมือนกายเบาจิตเบาเหมือนกับว่าไม่มีร่างกายเลยจิตมันก็มีความสุขความสบายบางทีมันก็มีความสว่างสวยัยก็มีหมดอะ อันนี้ผู้เจ้าก็สอนให้ดูให้รู้อะไรเดินขึ้น่าก็ดูไปพอเราดูอะไรเกิดขึ้นดูรู้อย่างนี้จิตมันก็มีสติมีสัมปชัญญะแทนที่มันจะดูอยู่ที่เดียวตอนแรกมันอยู่อารมณ์เดียวก่อนเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันซัดสายอยู่ต้องคุมไว้ก่อนต่อมานี่มันเริ่มออกรู้ได้มากขึ้นละอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้เริ่มรู้แต่จิตก็ไม่ได้ไหลออกไปข้างนอกอย่างเก่า นี่เรียกว่ามันเริ่มแน่วแน่แล้วมันเริ่มตั้งมั่นแล้วมีสติสัมปชัญญะแล้วมันพัฒนาขึ้นมาแล้วเคยมีคนสงสัยเขาว่าโอ้แต่ก่อนนี่คุมจิตไว้มันอยู่อารมณ์เดียวอยู่อารมณ์เดียวรู้สึกมีความสุขคํขาว่าต่อมานี้ทําไมมันอะไรเกิดขึ้นมันรู้ ร, รู้รูู้มีแต่สติเําว่ามันถูกทางหรือเปล่าเขาว่าเขามาถามบอกนั่นถูกแล้วมันพัฒนาขึ้นมาแล้ว สามารถมันรู้อย่างนี้แล้วจิตนี้แน่ไหมนิ่งไหมนิ่งอีกก็นิ่งอยู่นั่นแสดงว่ามันนิ่งด้วยแล้วก็รู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยนี่มันก็เลยสติมันขยายตัวแล้วมันมีกําลังเพิ่มขึ้นแล้วมันจึงรู้มากขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นอยู่กับกาลังของมันที่แรกก็รู้แค่ๆก่อนอารมณ์เดียวแล้วก็อะไรรู้ก็รู้แค่แคบนะ ต่อมาขยายออกขยายออกรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามีมันมันมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยต่อมานี่นอกจากจะรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วยังเห็นมันดับด้วยอย่างอารมณ์ที่มันเข้ามานี่ยนะถ้าใครสติสัมปชัญญะมีกําลังแล้วเนี่ยเห็นมันเกิดเห็นมันดับเร็วมากเลยขยับมาปั๊บป๊อดับป๊อปอย่อย่างนี้เลยจิตมีกําลังแล้วถ้าไม่มีกําลังบางทีมันก็อยู่นาน ว่าที่จิตรอเวลาให้จิตเรามีกําลังกว่าทําทําความเข้าใจให้ปัญญามันอบรมจิตให้จิตมันเข้าใจให้จิตมันปล่อยวางได้นี่คือปัญญามันยังช้าอยู่ถ้าใครปัญญาเร็วๆนี่มองพับมันรู้แล้วไม่ใช่ของเรามราทิ้งเลยเพราะมันเป็นตัวดูอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนกับเราเรายืนอยู่ตรงประตูบ้านเราอ่ะพอรถผ่านไปปั๊บเนี่ยมันก็เออมันก็วางเฉยเลยเพราะมันรู้แล้ว ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเป็นเรื่องของรถปิ่งไปตามถนนน้นทางที่เฉยถ้าหาว่ามันเริ่มเห็นว่าเอออันนี้เกิดดับเห็นสักครั้งหนึ่งมันก็เริ่มเบาเลยนะเพราะว่ามันมันมันเริ่มปล่อยเริ่มวางแล้วก็ปล่อยวางแล้วบางทีไอ้ไอ้สภาวาลมเนี่ยเราเคยดูเหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพอจิตมีกาลังเนี่ย ไอ้ลมนี่มันก็เป็นอาการเคลื่อนไหวเฉยๆนะเหมือนกับมันไหวไวๆเราก็ดูอยู่เฉ ย, ยๆจิตก็เป็นผู้ดูไอ้อาการลมก็เหมือนไม่ใช่ลมหายใจอะ่ะมันเคลื่อนไหวแล้วเป็นสิ่งเคลื่อนไหวนี่มันเริ่มที่จะรู้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วแทนที่จะเป็นลมหายใจเราหายใจไม่ใช่แล้วมันเป็นธาตุลมไปแล้วเป็นอาการของลมไปแล้วบางทีมันจ่อเข้าไปอีกสมาธิมันแน่วแน่เข้าไปอีก แทนที่ย่งเห็นเป็นลมไม่ใช่ลมแล้วทีนี่เหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วที่นี่เคลื่อนไหวไปอยังงั้นแหละมันมันมันรู้ในจิตนี่แหละนี่คือมันพัฒนาขมันไปเรื่อยมันก็ชัดขึ้นเรื่อยมันก็เบาสบายไปเรื่อยความเป็นตัวเรามันลดลงลดลงมันเป็นที่จิตหรอกอาจจะไม่มีคําอธิบายอะไรแต่ว่าตัวจิตมันเบาขึ้นมาเองเพราะมันเห็นมันมีมันมีสิ่งที่ปรากฏปรากฏการที่เกิดขึ้นมันสอนจิตไปในตัว ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอ่ะมันอยู่ของมันอย่างนั้นอ่ะคือเองดับเองนี่เรียกว่าอารมณ์ประเภทนี้เขาเรียกว่าปลอมมัดล้ะปลอมมัดมีไหมก็ว่ามันมันเป็นไม่มีตัวตนแล้วมันอยู่ของมันเหมือนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ไม่มีคําพูดไม่มีชื่อดูซิมันมันมันละสมมติได้ด้วยที่เรียกว่าลมมันก็ไม่ไม่ไปเรียกอะไรอ่ะตัวจิตเนี่ยมันไม่ไม่มีภาษาเรียกเลยมันดูเฉย ตัวจิตก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปดูอะไรที่มันมาให้ดูมันก็เหลือแต่ผู้ดูกับสิ่งถูกดูเอามันเป็นได้เนี่ยอยันนี้สาหรับคนที่เขาไปถึงอะ่ะพูดไปปับ๊บก็เข้าใจนี่พูดไปตามลําดับเฉยๆเพื่อให้ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆตอนนี้กําลังพูดถึงว่าพูดเวลาปฏิบัติเนี่ย สภาวะกำลังพูดถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตเรากับกายเรามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับแต่โดยหลักทฤษฎีหรือว่าหลักธรรมเนี่ยก็คือตัวจิตของเราเนี่ยที่จริงอะ่ะกายกับใจอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงอะ่ะมันเป็นธรรมชาติเฉยๆอ่อย่างร่างกายอย่างเนี้ยมันเป็นธรรมชาติ แล้วเป็นธรรมชาติที่ค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงคือที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ใจตอนที่มันตอนที่มันกําลังเจริญเติบโตนี้เราก็เรียกว่ามันเจริญเสียหลังจากเกิดมาแล้วมันค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยแต่จริงๆตลอดเวลามันเสื่อมมันกําลังเดินทางไปหาความตายทั้งหมดแต่พูดให้สอดคล้องกับภาษาสมมุติที่เราใช้กันเน่ยว่าเออกําลังโตนะกําลัง โตขึ้นนะจากวัยเด็กๆก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นเริ่มเป็นวัยผู้ใหญ่แต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วข่าวนี้เสื่อมลงเสื่อมลงแล้วแ ก, ลแก่ลงแก่ลงแล้วสุดท้ายตายเนี่ยมันจริงไม่ใช่ของเราจริงสมมุติว่าเป็นเราเฉยๆเหมือนเรายืมมาใช้ชั่วคราวมีความจริงมันเป็นอย่างนี้อ่าส่วนจิตใจเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเป็นธาตุรู้ มันเป็นธาตุรู้มันมันมันนึกคิดได้จริงมันเป็นธรรมชาติที่นึกคิดได้ด้วยปรุงแต่งได้เพราะจิตคือธรรมชาติที่มันไปรู้อารมณ์น้อมไปชูอารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปพเพราะ้เวลาจะเห็นจิตเนี่ยจิตต้องมีสมาธิถึงจะเห็นจิตตัวเองแต่ก่อนนี่โอยมันไหลไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นแต่ความคิด ลองไปถามเลยพวกทีอ่อยู่ตามถนนท้นทางเอเขาทําการทํางานนี่เห็นจิตตัเองไหมเขาไม่รู้เรื่องจิตเขาอยู่ไงไม่รู้อ่ะเห็นแต่ความคิดมันก็วิ่งตามความคิดรู้สึกนึกคิดยังไงก็วิ่งไปทาําตามไปถ้าหาว่าใครเจะเรนสติปั๊บคุมจิตเข้ามาได้พูดถึงจิตปั๊บรู้เลยว่าจิตเราสงบหรือไม่สงบนี่นี่แสดงว่ามันมีสมาธิแล้วมันจึงรู้ว่าสงบ แล้วก็รู้ว่าไม่สงบทีนี้ถ้าหาว่าพัฒนามันน เ, เนี่ยสติมันก็มีกําลังเพิ่มขึ้นนอกจากมีกําลังแล้วความรู้มันมากขึ้นมันก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะอะไรก็ขึ้นรู้รู้มากขึ้นแล้วมันเข้าใจด้วยรู้ไปเข้าใจไปด้วยบอกว่าถ้าจิตออกไปเนี่ยความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งนะเนี่ยเออถ้าจิตเรานิ่งอยู่นี่เออความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งตอนนี้สมาธิเราดีอ่เรารู้สึกสบาย สติเราดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะรู้ไปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีความรู้ตามมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกสัมปชัญญะเป็นปัญญาอ่อนๆหรือเรียกว่ายานก็ได้ยานในสมถะก็มีขั้นสมถะขั้นสมาธินี่มียานคือมีความรู้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าเออถ้าจิตของเรามันอยู่กับตัวเราเนี่ยแหมมันมันมันสงบทําให้จิตนิ่งทําให้จิตแน่วแน่ทําให้จิตมั่นคง ถ้าว่ามันเผลอหลุดออกไปหนึ่งไม่ไม่ค่อยสบายเลยอ่ะสติเราก็อ่อนสมาธิก็อ่อนกําลังก็ไม่ค่อยดียี่งหลวงพ่อเจ้ามึงสอนให้สํารวมสํารวมเพราะว่าถ้าหาว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยสติมันอ่อนกําลังแหละเหมือนเหมือนเหมือนกับเราเราลินน้ําเนี่ยเราลินไม่ต่อเนื่องอ่ะถ้าเราลินยกกาได้สม่ำเสมอมันไหลต่อเนื่องอ่ะมันก็เต็มเร็วอ่ะมันก็หมดกาเร็ว แต่ถ้าหาว่าเราลินแล้วก็ไอ้ไอ้ไ อ, อ, อ้บางทีน้ำหนักมันทําให้มือเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมันขาดว่าขาดตอนน้ํามันก็ไม่ไหลต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยมันจะมีความสําคัญเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อรู้เท่าทันจิตของเราเพอจิตเรามันรวด เ, เร็วถ้าหาว่าตัวจิตเนี่ยถ้าตัวสติเนี่ยมันคุมจิตได้แล้วแล้วก็สติสัมปชัญญะมันเจริญขึ้นแล้วเนี่ย ทีนี้มันจะทําจิตตัวเองทีนี้จิตเนี่ยการทํางานของจิตมันรวดเร็วจริงๆเอาอย่าซสียว่าเราอยู่เฉยๆอย่างนี้มันไม่อยู่เฉยนะจิตเนี่ยมันมันมันมีหน้าที่ออกรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บมันจะออกไปรู้ทันทีเลยถ้าเราไม่ทันตรงนี้ปั๊บพร้อมไปรู้แล้วมันก็ปรุงต่อในในขณะที่มันออกไปรู้นี่ตัวจิตเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยตัวจิตเวลามันออกไปทํางานเขาเรียกวิญญาณ เพราว่ามันไปมันออกไปทางตาเขาเรียกจักรคู่วิญญาณช่วยกระทบมีคนเดินมาปั๊บตาเรามองเห็นปับ๊บตัวจิตมันจะวิ่งไปทันทีเลยไปทําหน้าที่เห็นเนี่ยเนี่ยตัวเห็นตรงนี้เขาเรียกจักรคู่วิญญาณเสียงดังปั้งมันก็วิ่งมารู้เสียงอีกเนี่ยเขาเรียกโสตวิญญาณเพราะ ว, ว่าเพราเราเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับพ่อเราก็ทําหน้าที่ของลูกเป็นลูก ถ้าหาว่าเราอยู่กับเพื่อ <Riley> นเราเราก็เป็นเพื่อนกันถ้ า, anyway. ถาเราอยู่กับพี่เราก็เป็นน้องเขาคล้ายๆกับเราเราทำหน้าที่ของเราอ่ะตัวเราคนเดียวนี่แหละถ้าเราแต่งงานเราอยู่กับสามีเราก็เป็นภรรยาถ้ามีลูกเรากำลังทำอาหารให้ลูกอย่างนี้เราก็ทำหน้าที่แม่ก็ตัวเรานี่แหละทำหน้าที่เป็นแม่ก็ได้ทำหน้าที่เป็นภรรยาก็ได้ทาหน้าที่เป็นลูกก็ได้ทาหน้าที่เป็นน้องก็ได้ เราอยู่กับที่เรามหาอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์คนคนเดียวกันนเหมือนจิตจิตก็เหมือนกันน่ะทําไปรู้อารมณ์ทางตาปับ๊บมันก็เป็นจักขรวิญญาณไปรู้อารมณ์ทางหูปับ๊บมันก็โสตวิญญาณทางจมูกก็คานะวิญญาณทางลิ้นก็ชิวหาวิญญาณสัมผัสทางกายมันไปรู้ทางกายก็กายวิญญาณทางาว่ามันนึกอะไรขึ้นมาอารมณ์นั้นกระทบจิตอีกทีนึงเขาเรียก มโนวิญญาณมณะนะมะโนก็คือตัวจิตนั่นเองคือในวิญญาณเนี่ยในตัวจิตเนี่ยมันก็มีพวกสัญญามีสัญญาด้วยมีพวกสังขารด้วยมีพวกเวทนาด้วยมันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นตัวจิตมันจริงเล็ถ้าหาวสติดีเนี่ยมันก็จะทําจิตอะ่ะเวลามันมีอาการอะไรเกิดขึ้น พายทานจิตอารมณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับแต่ถ้าหาว่าสติของเราอ่อนปัญญาเรายังอ่อนอินทรีย์เรายังอ่อน เ, อเราปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากการปฏิบัติของเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่เราน้อยอยู่เอาสู้ว่าเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันชัดเจนขึ้นนะสมาธิเราก็เริ่มดีขึ้นนะมันหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วก็สภาวะอะไรมันก็ส่วนสภาวะธรรมมีขั้นดีและไม่ดีนะ วันนั้ยึดถือไม่ได้นะบางครั้งมันโป่งมันโล่งมันเบาลงที่หนูต่อไปนี่เบาสบายแล้วพอใจอยู่อย่างนี้ไม่ได้บางทีมันหนักมาใหม่ที่นี่มันหนักมันอึดอัดมันขัดคล่องมันไม่เบาแล้วที่นี่แค่นี้อย่าโล่งโป่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะบรรลุธรรมเร็วๆนี้มันไม่ใช่อะที่นี่มันนั่นแหละมันมันไม่อยากให้เรายึดมันกําลังแสดงว่าบังคับบัญชาไม่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงของมันมัน คนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่ามายึดฉันนะพูไงไง้นี้ง่ายนั่นแหละมันกําลังสอนเราในตัวเลยถ้าเรามองเป็นก็เป็นธรรมะแต่ถ้าเรามองไม่เป็นโอ้วันนั้นดีทําไมวันนี้แย่โอ้โหแย่แล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้ตัวร่างกายก็อยู่ดีๆก็อะไรก็ไม่รู้ยุกยิกยุกยิกเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็มุนขึ้นมาอีก เดี๋ยวพูดว่าพูดว่ า, บ, วา บ, บางทีเหมือนอะไรวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมของเจ้าจริงให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้พรายามไม่จิตยินดียินร้นายก็คือทางสายกลางนั่นเองก็ต้องมาปรับที่จิตรักษาจิตให้เป็นกลางเอาไว้ก็ยอมรับความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามอะ่ะมันก็เป็นแค่สภาวธรรม เป็นแค่ผลของการปฏิบัติถ้าวางใจอย่างนี้สบายเลยไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องกลัวไม่สงบไม่ต้องอยากได้สมาธิไม่ต้องอยได้ปัญญาอะไรละพระเจ้าก็บอกแล้วยังฉันใต้เกิดขึ้นให้พอใจปฏิบัติพอใจสร้างเหตุเท่านั้นผลเป็นไงช่างมันถ้าสติมันดีมันก็สงบเองสติมันดีในสมาธิก็เกิดเองเมื่อนสมาธิเกิดมันมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมาแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุตปัจจัย ขึ้นอยู่กับว่าการปฏิบัติของเราวาเหตุปัจจัยมันพร้อมหรือยังมันถึงเวลาหรือยังถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยอมรับไปก่อนได้ยินได้ฟังอะไรมากับวางถ้าได้ยินได้ฟังเรายังไม่ถึงเรายังไม่เป็นยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับมันโอ้แล้วไปเราเราเราอยู่แค่ไหนก็ปฏิบัติแค่นั้นไปก่อนเมี่บพอใจปฏิบตัติว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปก่อน นี่คือเรารู้แล้วว่าเราเดินทางมาถึงตรงนี้เราก็พอใจที่จะเดินต่อไปสนที่เวลาพูดเนี่ยเนื่องจากว่าทางมันยาวทีนี่อย่างเช่นว่าไปสกลนคร อ, อย่างนี้มันจะผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างอะไรบ้างก็อธิบายไปตามลําดับถ้าเราเพิ่งเดินทางไปถึงกกตุ้มเ อ, อเราก็รู้ว่าเรากําลังถึงกกตุมต่อไปเราเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะถึงเหมือนกันแหละส่วนคนที่ไปถึงนู่นแ ล, ใล้ใกล้เข้าไปในตัวเมืองแล้ว มันก็แสดงว่าเดินทางไปไกลแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เห็นมันก็แตกต่างกันไปก็ไม่เป็นไรอะ่ะทีนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เริ่มเห็นละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อมานี่มันก็จะมาเห็นสิ่งที่มันเห็นก็คือตอนนี้จิตเราอยู่ข้างในอะ่ะตอนที่มันเป็นสมาธินี่จิตมนเข้ามาอยู่ข้างในละ สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่มันก็คืออาการทํางานของขันห้าเนี่ยมันต้องมาเห็นขันห้าแล้วนะที่นี่หรือบางทีเขาก็เรียกว่าดูสติปัฏฐานสี่จเจริญสติปัฏฐานสีเพราะอะไรมันก็คือการทํางานของร่างกายระบบของร่างกายเนี่ยเรื่องลูกเรื่องกายถ้ามองในแง่ภาพรวมมาเบอรเป็นเรื่องกายก็ก็มีสติตามดูกายละ ทีในร่างกาย น, นางนามก็มีเวทนาขึ้นมาก็มีสติตามดูเวทนาได้ขึ้นอยู่ว่าอะไรเด่นทีนี้ในตัวเรามันก็มีจิตอจิตมันก็ทํางานได้เหมือนกันอะ่ะบางทีพอเวทนาก็เบาลงไปแล้วร่างกายก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็เฉยอยู่ทีนี้จิตอะ่ะมันก็มีอาการของจิตมีความคิดบงังมีความรู้สึกบางปุ้งแต่งโนนนี่ขึ้นมาเอา้ารู้จิตก็ตามดูจิต ถ้าเห็นว่าจิตเนี่ยพวกกายก็ตามเราดูไปดูไปเอา้าแทนที่จะไปดูว่ามันเป็นกายมันก็ไปดูว่าเอ้ยไม่นี่มันเกิดดับนี่มันไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ของเราเหมือนมันอยู่ของมันนี่คือเห็นธรรมละ่ะดูธรรมก็คือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นธรรมมันไปดูพระไตรลักษณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทนอยู่ได้ยาก มันรู้สึกไม่สบายทนอยู่ได้ยากมันบีบคั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือตามดูเวทนาเหมือนกันอแล้วก็เห็นมันความเปลี่ยนแปลงของมันบางทีมันหนักปวดมากๆแต่เดี๋ยวก็เบาลงไปนี่คือมาดูความเปลี่ยนแปลงล้วขึ้นเยกว่าเราสังเกตได้หรือยังสังเกตไม่ได้บางทีก็ดูไปก่อนเพราะว่าถ้าปัญญายังอ่อนอยู่นี่มันยังไม่มี มันจะมีคําตอบขึ้นในจิตมันก็แค่ดูไปก่อนมีสติสัมปชัญญะไปด้วยมีปัญญาเล็กน้อยไปก่อนเบื้องตน้นเริ่มเริ่มขึ้นสู่วิ ป, ปัสนาเบื้องต้นกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างทำบ้างสตสิปัฏฐานสีหรือว่าเอาส่นวนลมอย่างเนี้ยลมมันเคลื่อนไหวจิตเรามาดูลมการดูลมก็คือดูกายเหมือนกันถาดลง ถ้าหาว่ามองในแง่ของกายก็คือว่ากําลังดูดูส่วนหนึ่งของร่างกายลมนี่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรือดูผมขนเล็บปันหนังดูอันใดนหนึ่งหรือดูอาการ32พวกนี้ก็ดูอาการของร่างกายแล้วหรือรู้สึกว่ามันนั่งอยู่ยังไงนี่ดูอาการของร่างกายละ่ะแต่ถ้าโอ้มันเจ็บขึ้นมาแล้วมันแทนที่ไปดูการมาดูตรงเจ็บนี่คือดูเวทนาทางกายละ่ะทุกขเวทนาละ่ะหรือมันสุขขึ้นมาสุขกายก็มีสุขใจก็มี เราดูตรงไหนอ่ะถ้าดูตรงสุกกายรู้สึว่ า, ากายมันมีความสุขอ่ะมันสบายสบายร่างกายมันสบายนี่ก็คือดูความสุขนี้จิตใจมันก็มีความรู้สึกได้เหมือนกันอ่ะบางทีมันทุกข์ทางกายมันเจ็บปวดมันมญหงุดหงิดขึ้นมาเราไปดูการญหงุดหงิดแต่ว่าดูจิตกระชัยหรือว่าเราเพ่งเร็งตรงควา ม, มญหงุดหงิดนั้นมันก็เป็นเวทนาทางจิต เกิดความรู้สึกว่าโกรธเคืองขึ้นมานี่ดุการของจิตหรือเวทดูเวทนาทางจิตมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความดิ้นรนภายในจิตเกิดขึ้นหรือว่าเราดูแทนที่จะมองเป็นจิตก็มองไปว่าเออไ อ, ไอ้นี่จิตมันปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยดูสังขารก็ได้หรือว่าดูความไม่สบายในจิตก็เป็น อันนี้ก็ดูเวทนาในจิตเวทนาทางกายก็อันหนึ่งเวทนาทางจิตก็อันหนึ่งขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเราจะมองแบบไหนมองภาพรวมก็คือูอาการของจิตแต่ถ้ามองแบบขันห้าในมุมมองของขันห้าก็ดูว่ามันเป็นสังขารหรือว่ามันเป็นเวทนาทางจิต ตัวที่ไปรู้อารมณ์พวกนี้ทั้งหมดอะ่ะก็คือตัววิญญาณแต่วิญญาณนี้ทํางานเร็ววิญญาณนี้ตอนแรกๆนี้ให้เรารู้ว่าหน้าที่ของมันเนี่ยออกไปรู้อารมณ์อย่างสมมุติว่ามีเวทนาเกิดขึ้นที่ยกเวทนาในมันชัดเจนเอาเรานั่งไปปั๊บมันเจ็บแล้วทีนี้มันเริ่มปวดแล้วตัวที่ไปรู้ว่ามันปวดคือตัวตัววิญญาณเมื่อมันปวดแล้วเนี่ยไอเมื่อเจาะมาจิตมันเร็วมาก มันอาจจะปุงป่งขึ้นมาปุ่งขึ้นมาไอตัววิญญาณมันก็จะมาดูตัวปรุงนี้เพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ย ว, วิญญาณไปดูเวทนาก็ได้แล้ววิญญาณมาดูตัวสังขารก็ได้คือมันเร็วจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราที่เราอธิบายเนี่ยก็คือว่าพยายามที่จะเอาไอาการทํางานของจิตมาพูดแต่ว่าพูดยังไงมันมันก็ไม่ทันไม่ไม่เหมือนในจิตที่มันเป็นขึ้นมามันเร็วแต่เราก็แค่อธิบายให้เห็นว่า โอ้โหภายในจิตของเรานี่มีเรื่องราวอะไรมากมายเลยขบวนการทำงานของมันอยู่ในจิตแต่ว่าถ้าสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อทัอ น, ทนหมดเลยนี่มันแตกอย่างหนึ่งนะทางของพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้นามธรรมารู้การทำงานของจิตเราได้ทั้งหมดถึงเราไม่สามารถที่จะพูดอธิบายได้แต่ว่ายานของเราก็สามารถเห็นเห็นการทำงานของจิตได้ เพราะนั้นตอนนี้เรากําลังกําลังพูดมาว่าเออถ้าหาว่าเราปฏิบัติมาถึงถึงเรียก ว, ว่าจิตตั้งมั่นละจิตตั้งมั่ น, นหมีไหมคือว่าจิตแน่วแน่อยู่เป็นกลางอยู่อะไรเกิดขึ้นไม่มีผลต่อจิตจิตก็ยังนุ่นอยู่ยังแน่วแน่อยู่ยังเป็นกลางอยู่แล้วก็รู้อารมณ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นมีไหมว่าจิตเป็นกลาง พร้อมที่จะรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ถ้ามาถึงตรงนี้นี่แหละสัมมาสมาธิตั้งแต่เริ่มมีสติสัมปชัญญะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้พวกนี้ก็เริ่มเป็นส ม, มาสมาธิแล้วเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าแล้เพราะฉะนั้นสมาธิต่แรกๆเนี่ยถ้าหาว่าเรามีสติดีแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องว่าเออ ขันห้านี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ก็เริ่มด้วยเป็นสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิได้แต่ว่าขั้นตอนจริงๆเนี่ยที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเป็นสัมมาส ม, มาธินี่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเพราะฉนั้นในสมัยก่อนน่ะ ที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าเจตัดสรู้เนี่ยเขาก็จเจริญสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญาประกอบอะไรเลยสมาธิขี่ไม่มีเลยอะ่ะความเห็นถูกต้องไม่มีเลยเขาก็ทำจิตให้แนวแน่เพ่งอะไรให้มันแนวแน่ขึ้นมาก็มีสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่สมาสมาธิเป็นสมาสมาธิที่มันจมอยูอ่แล้วเขาก็สามารถฝึกอภิญญาอะไรได้ มีฤทธิมีอภิญญามีอะไรได้เห็นหนูน่นเห็นนี่ได้เห็นนรกสวรรค์ได้เห็นชาวทิพย์อะไรได้หมดมีตาทิพย์มีหูทิพย์ได้แต่ว่ามันไม่สามารถเกิดเป็นสติสัมปชัญญะได้เพราะว่าไม่ได้พัฒนาขั้นต่อไปถ้าต่อไปนี้จะต้องพยายามที่จะให้จิตมันรู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้ตัวรู้ เพราะนั้นถ้าว่าจิตของใครมันเป็นนิ่งอยู่เฉยๆก็แสดงว่ามันพักอยู่นิ่งแบบอยู่ลึกๆอยู่จมๆอย่างนี้อันนั้นน่ะถ้าหาว่ามันติดแล้วมันอยู่นานแล้วไม่เคยพัฒนาไปกว่านั้นเลยนี่อยู่กับที่ต้องรอเวลาสังเกตเวลามันจะคลายออกมันคลายออกแล้วมันเริ่มดูขันห้าได้ต้องพยายามบังคับให้มันดูขันห้าซะก่อนอย่าให้มันหนีอย่าให้มันเข้าไปอีกคุมไว้เลย ถ้าทำอย่างนี้แสดงว่าเริ่มจเจริญสติสัมปชัญญะแต่บางคนเนี่ยมันก็ไม่ต้องคุมยากเพราะว่าเขามีนิสัยอยู่เคยปฏิบัติมานานแล้วในชาติก่อนๆนโน้นว่าชาตินี้ก็จเจริญสติสัมปชัญญะไปได้ง่ายง่ายทีนี้ถ้าพอถ้าจเจริญสติสัมปชัญญะแล้วก็บางทีมันรู้อารมณ์ละ มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันก็จะนิ่งอยู่เฉยๆแต่มันรู้ด้วยนะรู้รอบด้วยนะนี่อย่างนี้เป็นส ม, มาสมาธิแ น, น่นอนมีเรียกว่าพักพักอยู่ในงานเลยแล้วมันก็ดูอีกพอมันดูมาอีกมันก็เริ่มพักลงไปอีกแต่ละเอียดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีสมาธิแบบนี้เขาเรียกสัมมาสมาธิเพราะ น, นมันเป็นกลางแล้วก็รู้อารมณ์ด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้ พอรู้แล้วกำลังมันมากพอนี้มันก็เร็วรู้เร็วขึ้นอ่ะอะไรเกิดขึ้นมันรู้รู้แล้วก็ปล่อยได้ด้วยเพราะมันเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นธรรมะขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันรู้มันเห็นก็คือเห็นคันห้าเรามีหลักหรือว่าเห็นในสติปัฏฐานสี่แรกๆมันก็มักจะมุมมองมักจะเป็นมุมมองของสติปัฏฐานสี่ พรอมองภาพรวมไปก่อนเพราะนั่นพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ต้องเจริญให้มากเจริญแล้วก็ทําให้มากเมื่อเจริญให้มากทําให้มากจนมันสมบูรณ์เนี่ยต้องแสดงมาซึ่งสี่มันก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอตามขั้นตอนที่ว่านั้นปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรืยตามลำดับตามลําดับ ไม่ต้องรีบเล่งไม่ต้องรีบร้อนเหมือนคนเดินทางเราเดินทางถึงไหนก็ยอมรับก็เออมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่างเราบเมือ่อไหร่ไม่จะถึงเมื่อไหร่ไมนจะถึง ไ, อ, ไงอย่างนี้มันก็ไม่สบายแล้วก็เป็นทุกข์แล้วบางทีมันทําให้เนิ่นช้าด้วยมุนหงิดลาคาญด้วยไม่สบายใจด้วยเพราะราวางใจไม่ถูกก็การเดินทางทางจิตก็เหมือนกันเ่ยไม่ต้องไป ดิบเล่งอะไรไม่ต้องไปรีบร้อนแต่ปฏิบัติเรื่อยไปเพียรเรื่ไปวางใจก็ถูกด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายถึงไหนก็พอใจขอให้ได้ปฏิบัติเรื่อยไปนี่มันก็ง่ายสำหรับการปฏิบตัติทีนี้พอจิตมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาแล้วมันเริ่มเห็นขันห้าแล้วบางทีก็ดูการทํางานของร่างกายบางทีก็ดูเวทนาถ้ามันเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันหลังก็จะปล่อยเห็นว่ามันเกิดดับก็ปล่อยอันเดียวกัน แต่ยห็นมันเกิดดับก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่คือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นประไตลักษณ์คือเห็นคือเรียกว่ามีปัญญาญาณมีปัญญาเขาเรียก ว, วิปัสนาญาณหรือวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกความเห็นตรงความเห็นเพื่อออกจากทุกข์เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าเห็นแล้วมันจะเริ่มปล่อยวางขึ้นอยู่กับกำลังด้วยถ้ากําลังมันเห็นมันมีกําลังจิตมีกําลังเห็นชัดเจนชัดเจนแต่รู้สึกเบาในจิตเลยเบาถ้าเห็นอย่างเพราะนั้นเวลาทุกมาเนี่ยมันหนักๆนี่พอจิตมันเริ่มมีกําลังขึ้นมาแล้วตอนแรกก็ดูก่อนเอามันเจ็บมันปวดนี่มันยังปล่อยไม่ได้ทีแรกอ่ะเพราะมันยังเป็นเราอยู่ไงมันยังเจ็บความเจ็บนี่เข้าไปหาจิตแต่เราอดทนดูดูสติมีขึ้นมาแล้ว สมาธิก็มีขึ้นมาแล้วพอสติมีสมาธิมีขึ้นมาจิตเนี่ยจิตมันมีสมาธิมันมีกําลังแล้วมันก็เริ่มมาอยู่อารมณ์เดียวทีนี้มันอยู่อารมณ์เดียวอยู่อารมณ์เดียวมันก็มีปัญญาด้วยมีปัญญาเพิ่มขึ้นด้วยว่าเออเนี่ยมันมันอยู่ของมันนะไอไอไอตัวเวทนานี่เหมือนเราดูอยู่อ่ะมันก็เหมือนกับมันกําลังเมืมันมีสมาธิเหมือนมันถอยห่างออกมาเหมือนมันมาอยู่กับจิตอ่ะ เหมือนจิตมันมันมันถอยออกมาถอยออกมาในความรู้สึกของการปฏิบัตินี่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเหมือนถอยห่างออกมาแล้วมันก็เลยพอกําลังมันมากพอก็เหมือนวางเพราะฉะนั้นบางคนนี่มันเร็วเหมือนวางตึ๊ดออกมาเลยอะเหมือนกับมันปล่อยมันก็เห็นว่าปล่อยมันก็เห็นว่าเวทนาอยู่ของมันแต่ถ้ากาลังพอเนี่บางคนวางตุ๊ดสลับตึ๊ดออกไปด้วยเยบางทีบรรลุมรคนเลยก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับอัธยาศัย แล้วก็เข้าใจไปด้วยเลยบว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยละความเห็นผิดได้ละสกายติฐิดได้เลยหรือว่าบางคนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกปฏิบัติแล้วปฏอีกเห็นแล้วเห็นอีกสุดท้ายมันก็สลัดปุ๊บเหมือนกันมีก็วางเหมือนกันเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่ากำลังเราพอหรือยังบางทีกำลังพอเห็นเห็นพะตตะลักษณ์ชัดเจนเห็นว่าไม่ใช่ของเราเด็ดขาดลงไปเมื่อไหร่ หรือเห็นกายก็ตามบางคนก็ดูร่างกายเห็นบังทีมันยุยบย่อลงไปให้เห็นปุ๊บมันก็ดับพุ๊บไปเลยมันก็ยอ่อปุ๊บลงไปแบบเนี้ยคล้ายๆกับพัฏไตรลักชัดเจนในจิตมันก็เหมือนความรู้สึกไม่ใช่ของเราเด่นสง่าขึ้นมาในจิตจิตก็มีกําลังมันก็เหมือนมันเนความรู้สึกว่าเข้าใจเลยเข้าใจเออจริงๆไม่ใช่ของเราเลยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันก็รวมกันใหม่ เ, เราขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ต้องปฏิบัติอีกขั้นต่อไปเปียนแล้วเปียนเล่าเพราะน่า น, น, นี้สภาวธรรมนี้จริงช้าเร็วต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ใครเคยปฏิบัติมามากอินทรีย์มันแก่กล้ามันก็ไปได้บางคนก็นานหน่อยนะจนมันพอหนุ่ยละมันพอเมื่อไหร่มันต้องไปที่เดียวกันตอนมันสลัดตอนที่มันเห็นชัดแจ้งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอะ รายละเอียดอาจจะต่างกันแต่ว่าความรู้สึกที่มันปล่อยมันวางได้เนี่ยโอ้โหมันรู้สึกเข้าไปถึงในจิตใจเลยรู้สึกเลยว่ามันเบากว่ากันเยอะความลุ่มหลงที่ใครทําอะไรแล้วเนี่ยโอ้ยเราเจ็บเราปวดเราทุกข์ทรมานเหมือนกับไม่ยีงความหมายนะบางช่วงบางตอนน่ะนี่ถ้าหาว่ากําลังปัญญาเราพอมันมาถึงจิตของเราเหมือนมันเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วพราะนทุกข์มันจึงน้อยลงไปการที่มันเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ย มันก็เห็นทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตแต่ที่จิตเนี่ยมันเร็วขนาดไหนก็ตามนะถ้าหาว่าเราเราจับทางมันได้อ่ะตัวจิตเนี่ยเวลากระทบอารมณ์ปับ๊บมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายเนี่ยนะแต่ว่าเราจะพันรู้ไม่ทันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสติใครดีจะทันมันเลยนะจะทันตอนแรกกระทบปับ๊บรู้ว่ากระทบอย่างนี้เร็วมากแสดงว่าคนนั้นเร็วเขาเรียก รู้ตอนมันกระทบอารมณ์มันมีผัสสะขึ้นมาแล้วกระทบปับ๊บถ้าจิตเรายังเป็นปกติอยู่นี่แหละก็คือรู้แล้วปับ๊บรู้ว่ากระทบก็คือจิตเราไม่ยินดีไม่ยินไลจิตเราเป็นกลางอยู่กระทบอารมณ์ปับ๊บต่อมานี่มันรู้สึกเกิดขึ้นมันก็รู้ว่ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจิตก็ยังเป็นกลางอยู่มีแสดงว่ารู้รู้ทันต่อมาถ้าไม่ทันอีกมันจะมีความอยากเกิดขึ้นในจิต อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากเอาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเกี่ยวข้องอยากรักใครอยากสนิทสนมคุ้นเคยมันสารพัดละมันจะปรุงขึ้นมามีอันตัวนี้มันมันเป็นสุขเวทนามันเป็นเวทนาในทางสบายแหละแต่ตอนนี้เราไม่ทําเวทนาแล้วเนี่ยมันไปถึงถึงตัณหาแล้วถึงความอยากถ้าหากว่ามันเป็นทุกขเวทนามันรู้สึกขับข้องขึ้นในจิตอ่ะมันรู้สึกกับบางคนก็เป็นนะบางทีเจอหน้าไม่เคยเจอหน้ากัน โผมาวับเนี่ยมันรู้สึกปุ๊บขึ้นมาในจิตเนี่ยเนี่ยมันมีเวทนาขึ้นมาล่ะแสดงว่านี่เนี่ยเคยมีอะไรกันมาแล้วในทางร้ายแล้วทางที่เคยต่อต้านกันมาเคยเป็นข้าศึกศัตรูกันมาแต่บางคนตั้บนี่ยมันรู้สึกคุ้นเคยมันรู้สึกมันมีความนุ่มนวลในจิตอ่ะเหมอเวลาพูดมันก็เหมือนกับว่ามันอยากพูดอ่อนโยนอะไรอย่างนั้นอ่ะมันมันมีอาการของมันขึ้นมาในจิตอันนี้แสดงว่าเคยเกี่ยวข้องกันมาอีกแบบหนึ่งเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไปชู้เหลือกันมาอะไรอย่างเงี้ย เ, ออเพราะนั้นมันจะมีเวทนาขึ้นในจิตทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทําเนี่ยมันก็จะมีตัวตันหาตามมาอยากสนิทสนมอยากคุ้นเคยอยากรู้จักอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนเบอร์โทรอะไรติดคนนะถ้าว่านี่ลาคาลรู้สึกเบื่อห น, น่ายอยากให้มันหายไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้ น, นงุนกหิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาเคืองขึ้นมา หรือบางทีอยากพูดแรงๆอยากพูดดังๆใส่อะไรเงี้ยถ้าไม่ทันเราก็แสดงออกไปมันก็ออกมาทางกายทางวัตถุสร้างกรำใหม่แต่ถ้าทำตรงนี้มันรู้สึกขึ้นมาว่ามันอยู่ข้างในรู้ปั๊บแล้วมันจะดับเหมือนกันนี่รู้ทันแล้วมันดับยังไม่มีเนี้อไม่มีกรรมอะไรอันนี้ยอันนี้อํานาจของกรำเก่าเท่านั้นเองตั้งแต่กระทบปับ๊บมีเวทนาชนิดไหนเกิดขึ้นก็ตามเนื้อเป็นอำนาจของกำเก่า แล้วก็มีตัณหารู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ยังอยู่ในขั้นของอํานาจงตัณหาอํานาจของกรรมเก่าอ่าถ้ารู้ไม่ทานตับคิดบ่อยแล้วที่นี่นึกบ่อยๆปรุงบ่อยๆส่งใจไปบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆ อ, อุปาทานเกิดแล้วกรรมใหม่เริ่มต้นแล้วทุกเริ่มมาแล้วนี่นี่ตรงนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้น กรรมเกา่ากรรมใหม่เนี่ยมันก็เลยมาต่อเนื่องกันตรงนี้ยังยังในจิตของเราเนี่ยชั่วกระทบปั๊บมันรู้สึกไม่สบายนั่นแหละนั่นแหละกรรมเกา่าแค่กรรมเกา่าแค่ความรู้สึกในจิตที่มันสังสมมาที่มันเคยเกี่ยวข้องมาหรือมันเคยคนเคยโกรธ บ, บ่อยๆกระทบปั๊บมันก็จะนึกโกรธขึ้นมานี้อาการของกรรมเก่าเท่านั้นเองอาการของจิตไม่ได้มีอะไรถ้าว่าเรารู้ทันมันก็ไม่มีตัวตนรู้ว่าเออที่อาการของจิตแค่จิตก็ดูจิต ผู้เจ้าก็สอนให้ตามดูจิตถ้าดูเห็นมันดับไปมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเรื่องของจิตอาการของจิตหรือร่างกายก็เหมือนกันแหละเรามีตาอย่างนี้ถ้ากรรมกรรมดีมาได้ผลเนี่ยมันก็เห็นสิ่งดีๆอ่ะเหมือนในหลวงนี่เสด็จไปไหนอุ้ยถนนมนทางสะอาดสะอ้านคนมาต้อนรับโบกไม้โบกมือโบกธงสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญคุณของพระองค์แสดงความเคารพกราบบหว้มีอำนาจของบุญ ะฝ่ายกุศลมันให้ผลอ่ะบางทีเราไปไหนนี่โอ้ยเดินไปตาม่าก็หนามบ้างอืลุยไปนู่นลุยไ ป, น, ยไ ป, น, ยไปนี่มดก็กัดพราะเราเป็นเราอ่ะกรรมของเราอ่ะเราก็ต้องมาอยู่แบบนี้เเป็นไปแบบนี้เนียเดินไปดีๆเหยียบขี้ม้าบ้างเนี่ยเมื่อยากเหยียบมันก็เหยียบอกรรมมันให้ผลเป็นอย่างนี้ทางกายก็มี ก็เข้ามาทางไห น, นกรรมก็ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกทางเท่านั้นแหละมันคอยให้ผลอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นหนีจากกรรมเก่าไม่พ้นแต่อยู่เหนือมันได้คือรู้ทันมันรู้ทันแล้วก็เป็นรู้ว่าเออมีเวลาการของกายอาการของเวทน า, าการของจิตเนี่ยมันก็อยู่เหนือกรรมได้แต่ถ้าไม่ทันมันก็จะ เนี่ยเริ่มเริ่มมีเวทนามีตัณหามีเริ่มเป็นอุปทานเอาแล้วอุปทานนี่เริ่มมาแล้วจะสร้างกรรมใหม่แล้วที่นี่อยากพูดถึงบ่อยๆแล้วที่นี่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วปุงแต่งขึ้นในจิตแล้วกับที่นี้ก็บนเวียนละปพุงแต่งบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดมากๆเข้าก็อยากทำออกทางกายออกทางวาจาออกทางความคิดทางกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมเป็นกรรมใหม่ วนเวียนแล้ที่นี่ไม่หนีไม่พ้นแล้วไปด่ากันอย่างเงี้ยทะเลาะบอแวงกันอย่างเงี้ก็กำใหม่ช่วยเหลือกันเนี่ยกำใหม่แต่เป็นกำใหม่ที่ดีแต่ถ้ามีสติที่นี่เอาละมันเลยมาแล้วเป็นกำใหม่ก็ตามอ่ะเราดูต่อไปอีกพยายามต่อไปอีกไปทันมันทีนี้ไปทันนี่ก็ตัดกระแสมันได้วาตาสุสานก็สั้นลงสั้นลงตรงที่เรารู้เท่าทานัน มันไปจากจิตเรานี่ละก่อนมันไม่ใช่ไปทางอื่นนะมันจิตเรานี้มันรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นใครทันจิตเนี่ยมันจึงตัดปัญหาทั้งหมดเลยใครทาําจิตได้เร็วรู้ได้เร็วเมื่อไหร่ดับภายในจิตเร็วเมื่อไหร่มีระดับการเวียนว่ายตายเกิดดับวัตสังสารได้จนดับสนิทปุงแต่งไม่ได้เลยนั่นแหะถึงปณิพานแน่ๆละ่ะจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่ง จะถึงปณิพนิษฐานแน่นอนแต่ต้องมีกําลังมีอะไรสนับสนุนเลยนะกำลังสติสมาธิปัญญาสตางค์ความเพียรพร้อมที่เรปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติจนผลมันมากพอแล้วตั้งแต่มันเริ่มเห็นขันห้ารู้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราปล่อยวางได้ระดับหนึงลาสักยะทิฐิได้ราวิจิกิจฉาได้ลาสีลาสัตตปรามาดได้นี่มั น, ม ข, นขึ้นเจริญขึ้นไปเรื่อยต่อมาปัญญต่อไปอีกโลงพระตัสาเบาบางนี่สกิทาคามีแล้วไปอีก ก็ละกามราค่าละปฏิคฆะอนาคามียเราต่อไปอพยายามดูมันจะมีพวกมานะก็มีรับไปเปรียบเทียบชอบออกไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้แต่ก่อนเขเปรียบเทียบเหมือนกันแต่เปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งนะเปรียบเทียบแบบแบบปรุงแต่งไปเปรียบเทียบกันโดยที่บางทีไม่จริงบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่ามาถึงขั้นอนาคามีนี้สิ่งที่เขาเปรียบเทียบกันนั้นน่ะเจ้าความจิงไปเปรียบเทียบอย่าเสว่าเห็น เห็นคนที่เขาสูงกว่าเห็นพ่อละหารอย่างนี้นะออยากได้อยากเป็นพ่อละหารเนี่ยมันก็จะมีมานะขึ้นไปมีตัวตนโดยอาศัยมานะเปรียบเทียบหรือบางทีในจิตเนี่ยมันเนื่องจากมันยังไม่หมดยังไม่หมดงานมันก็จะนึกปุ้งแต่งเพื่อจะดับตัวตนก็มีสอนจิตไปนี่มันก็เขาก็เรียกว่าพุง้งสร้างในธรรมะเหมือนกัน สุ่านภายในถาาว่าอยู่ในอยู่ในขอบเขตก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็ทํางานไปอยู่ในขอบของสติแต่ถ้าสติมันอ่อนกําลังมันก็พูดธรรมะเหมือนกันแต่มันพุ่งไปเรื่อยอยู่ข้างในเนี่ยมันทําให้เนิ่มช้าเสียเวลาเหมือนการรูปราคะยังติดอยู่หมายว่าบางทีไปพักอยู่ในฌานเดีย๋ยพวกนาคามียังติดฌานรูปฌานอรูปฌานรูปราคะรูปราคะ ติดมานะติดรุทัศจะตัวสาคัญก็คือตัวอวิชชาตัวหลงสุดท้ายพวกนี้ทันหมดจดนี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วบรรลุผลิตภานเป็นพลานสรุปแล้วก็คือการปฏิบัตินี่แหละที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละแน่นอนขอให้ปฏิบัติให้พอเพียรให้พอปฏิบัติไม่หยุดถึงไหนก็ตาม ยอมรับว่าเออตอนนี้เราถึงตรงนี้แล้วพยายามต่อไปอีกต่อไปก็ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะเวลามาวัดเวลาไปเราก็จะพยายามทําอะไรอยู่มาถือเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้เจ้าสอนอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องมาอยู่วัดอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องมาบวชพระบวชแม่ชีหรือมันเป็นคนวัดอย่างเดียวเรายังมีภาระหน้าที่เรายังออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้เพราะว่ามันเหตุ ป, ปัจจัยของเรามันมี เราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกเต้าไปแต่การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มีหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถือเป็นการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยอยู่ในตัวชีวิตเราเมืจะเจริญขึ้นอย่างน้อยภบชาติเราสั้นลงอะ่ะชีวิตเราจเจริญขึ้นเอาอย่างนี้เลยถ้ยามีโอกาสปฏิบัติใครทํางานอยู่ก็ตา ม, มาเอาทําอย่างนี้แล้วก็พยายามสู้พยายามปฏิบัติพยายามเพียร มันก็จะเหมือนกันค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนกันอยู่กับบ้านกัะเรือนนี่พอเราสภาวธรรมมามีสวสดาบาลมีสกิทาคามีอนาคามีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะที่มาวัดเรานี่มันมันขึ้นอยู่กับว่าตัวจิตนั่นแหละมันเริ่มเห็นรู้เห็นแล้วมันปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็เออวางได้อย่างว่าเออเห็นชัดเจนครั้งที่หนึ่งอย่างที่ว่า เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราชนิดที่ชัดแจ้งเต็มที่หมดความสงสัยเลยรู้สึกว่าเออปฏิบัติอย่างนี้พ้นทุกข์แน่เนี่ยมั่นใจขึ้นมาแล้วแล้วก็จะไปให้นับถืออย่างอื่นไม่เอาแล้วละศีละพระตปรามาตรได้นับถือศีนก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามเพื่อค้นทุกข์ก็ อ, ออกจากทุกข์ขอวัดปฏิบัติอะไรทําอะไรอยู่ก็นี่ เพื่อให้เป็นสมาธิบาทฐานของปัญญาเพื่อออกจากทุกข์มีพระโสดาบันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมาปฏิบัติไปกันแกิธาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระหหานแต่พระนาคามีนี่หมายว่าทาพูดในแง่ของสภาวธรรมเนี่ยมองดูจิตของตัวเองเนี่ยร่างกายไม่สนแล้วหลุรสอกินเสียงสัมผัสไม่มีผลต่อจิตแล้วเหมือนมันขาดออกไปแล้วอารมณ์พวกนี้ มันจะจาะเข้ามาหาจิตจาะเข้ามาหาจิตเหมือนมันเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แรงงานมันอยู่แค่เนี้อ่ะย่งอืนมันไม่เอาหมดแล้วมันรู้หมดแล้วมันก็จาะเข้ามานี่จาะเข้ามานี่ยิ่งจาะเข้ามานี่มันยิ่งโอ้โหมันยิ่งดื่มดำเหมือนเขาเป็นเจนเดียวกันปุ๊บยิ่งสบายบวเป่าถ้าเป็นันเดียวกันได้นี่มิตสว่างเบาสบายเบิกบานก็รอเวลาจู่ก่อมันจะลงตัว ยังไม่ลงตัวรอเวลาจนลงตัวบางทีก็มีอาการขึ้นมาในจิตปุ๊บก็เห็นละอนุนนีนน่บางทีก็ต้องหาทางให้จิตมันทางานใช้จิตทำงานใช้จิตทำนู่นทำนี่อะไรคือถ้าจิตมันมันมันมันรู้สึกว่าถ้าจิตมันเด่นอยู่มาแล้วมันจะสบายก็พูดภาพรวมเข้ามัน ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็จะเริ่มต้นมาเหมือนกันละ่ะว่าโอ้ตั้งแต่เริ่มต้นเจริญสติสัมปัดจัญยะเริ่ ม, มญญเจริญสติเบื้องต้นกรรมาฐานเบื้องต้นควรบริกรรมก็บริกรรมดูลมก็ดูลมทํายังไงจิตอยู่กับตัวเราได้ทําของหนอยุบน้อยก็ได้อะไรได้หมดพอสติมันเริ่มดีขึ้นมาคุมจิตไว้มีสมาธิขึ้นมาแล้วช้าเร็วก็ต่างกันไม่เป็นไรขอให้ได้ปฏิบัติเรื่อยไปแล้วมันอยู่แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาแล้ว ต่อไปก็จเจริญสติสัปญยาเพิ่มขึ้นในสตินีกำลังเริ่มขยายตัวถ้าใครอยากอยากให้มันไปได้เร็วก็เราพุทเยาก็บอกทางไว้เหมือนกันนะถ้าอยากเร็วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซีนสำรวมความประพฤติการเกี่ยวข้องอะไรก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันไปไปพื่อความสงบ การสรวมมลวงแล้วก็สัมมวินซีตาหูจมูกนิ่งกายใจเวลากระทบอารมณ์รักษาจิตไว้ไม่ไปยินดียินร้ายละมันระวังอยู่ตลอดการพูดการคุยก็น้อยลงไปลดลงไปพยายามให้อยู่กับตัวเองจ่อเข้าไปให้จิตอยู่กับปัจจุบันคนอย่างนี้เร็วยิ่งทาอะไรอยู่พยายามมีสติรักษาจิตไว้พูดน้อยสัมรวมระวังมากๆอย่างนี้เร็วอนี้นการรับประทานอาหาร เราก็ต้องรู้ด้วยถ้าเอามากๆมนม่วงมันซึมบางคนมาวัดแล้วบางคนก็เอาศีลแปดศีลแปดก็ห่วงกลัวว่าตัวเองเนี่ยเคยสามมือมาใส่เต็มที่เลยพอไปบ่ายมาก็กลับไปกุติว่าจะไปปฏิบัติสักหน่อยหนึ่งทีนี้มันตามันลืมไม่ค่อยขึ้นทีนี้ทํายังไงอะ่ะแต่จิตมันก็มองไปด้วยมองเข้าไปหาที่นอนอะ่ะ บางทีเาเต็นไปกลางลดีคนไม่เห็นเนอะเขาเต็นนึกว่าขาให้เขานึกว่าเราเข้าไปภาวนาที่ไหนได้ภาวนอนเลยยาวเลยอันนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบรรทับร่างกายเคยมีจริงๆยังมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายเข้ามานี่แหละวันเกิดเขาทุกปีขอให้เขาได้มาปฏิบัติเขาว่าพอมาถึงกัน เขาเอามือเดียวเลยเพราะว่าตั้งใจมาเต็มที่เลยมาไกลด้วยนู่นนคปรปฐมนู่นน่ะเต็มที่เลยสงสัยอะไราถามเรียบร้อยวิธีปฏิบัติเข้าใจหมดแล้ววันแรกไปถึงกัทีนี้ตัวเอตั้งใจเอามือเดียวเคยสามือมาดินึงผมก็ใส่ทั้งข้าวเหนียวด้วยใส่เต็มที่ด้วยโอ้ก็เจอกันตอนบ่ายโอย้ไม่ไหวกับท่านอาจารย์เนี่ยง่วงทั้งวันเลย ผมเลยต้องนอนว่ะสู้ไม่ไหวปีหน้า่อยแก้ใหม่ว่างัง น, นะเสีอท่ามันแล้วมีได้สองสาวันนังแบะวันสองวันนี่แหละเพราะเวลาเขาน้อยก็ต้องกลับไปผมปีต่อมานี่โหเอาจริงเลยนะรู้แล้วเตรียมท่ามาตั้งแต่บ้านเลยมือเดียวก็ต้องผ่อนด้วยน้า น, นี่แหละรู้จักประมาณในการบริภโภคตัวเบาปฏิบัติ ด, ดีเขาว่าปีต่อมาก็ดีอีกเพราะเขารู้แล้ว นี่แหละรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนี่นเราก็เหมือนกันเนดะินเดี๋ยวนี้ถ้าวันไหนถ้าหาว่าปล่อยนะเอาให้มันเยอะนี่โอ้โหวันนั้นอึดอัดไม่ค่อยสบายหรอกต้องได้เดินมากๆทํานูน่ทนทํานี่เพื่อให้มันมันย่อยอาหารแต่ถ้าหาว่าออรู้สึกว่ามันทํำท่าจะพอแล้วไม่ไม่เพิ่มไม่เติมอะไรเข้าไปอ่ะหยุดเลยหรือเราคํานวณของเราแล้วเ อ, อขนาดนี้ละมันพอดีมันเบามันสบายเอาแค่นี้ โอ้บสบายทั้งวันนี่ร่างกายก็สำคัญพระพระเจ้าสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่างๆด้วยคืออาหารมีมันมันระวังยากท่านก็นยกอาหารเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เดินจงกรมนั่งภาวนาอันนี้เรียกว่าการทำให้สติมันตื่นตัวทำให้จิตมันตื่นเขาเรียกชาคียานุโยคเพียม เพื่อให้จิตตื่นตอนนั้นจะมีการระบบบ้างาการเดินจงกรมบ้างมีการนั่งภาวนาบ้างถ้าวัดอยู่วัดมันก็เสะดวกหน่อยเพราะเราละทิ้งภาระหน้าที่มาแล้วหน้าที่ของเรามีเดินจงกรมมีการนั่งภาวนากันอย่างเงี้ยต่อไปผู้เจ้าก็บอกให้มีสติสัมปชัญญะแต่นี้สติในยีบทั้ง4ี่ยืนเดินนั่งนอนมียีบท่ส ถ้ามีสติสัมปชัญญะแม้ว่าอีบทเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอต อ, องน้ำห้องส่วมดื่มกินพูดคิดสักผ้าอาบน้ำอาบถ่าพวกเนี้ยใช่หมดเลยมีสติสัมปชัญญะแล้วเวลานั่งภาวนาที่นี่ละมิวรให้ได้นี่สำคัญแล้วนะที่นี่ถ้าใครไม่ข้ามิวร น, นี่ก็ไม่ได้แล้วเออ มันกัน้นมันขวางแล้วพรนั้นต้องข้ามนิวรณ์ให้มันได้พรนั้นต้องพยายามเต็มที่เลยให้จิตมันตื่นไว้บางคนต้องได้แนะนำนะคือนั่งซึมเป็นประจำเลยบอกว่าให้สอนตัวเองก่อนเลยก่อนจะนั่งบอกถ้ามีอาการซึมๆให้ปิดตาหรือว่ากระตุ้นจิตก่อนให้ระวังระวังระวังเตือนมันไว้เราเคยทาอย่างนี้พอะมันเคยซึม มันเคยซึมแล้วก็ปล่อยๆลอยโยเสียท่าเลยนะหายเงียบเลยเอาละคราวหน้าเนี่สอนตัวเองก่อนก่อนจะนั่งถ้ามันมีอาการอย่างนี้นะจะบอกมันว่าระวังระวังระวังกระตุ้นจิตกระตุ้นจิตให้มันระวังตัวเปลี่ยนคําิริการมเปลี่ยนอย่างนี้หมดไม่ต้องไปดูไปอะไรมันละไปยันจิตอย่างเดียวเลยระวังระวังระวงตืนพอจิตตืนนี่เห็นตัวร่วงอาการง่วงเห็นชัดเจนมันไม่ใช่จิตไม่ใช่เรามันอยู่ที่อาการของร่างกาย แต่จิตมันไปรับรู้ได้ตรงตาตรงคิ้วตรงเนี่ยหน้าผากอะไรนักหนั ก, หนกเหมือนอะไรบี บ, บ, บ, บกดเนี่ย ซ, มซึมเข้าไปเลยนะถ้าจิตเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ยซึมไปด้วยกันเลยอะ่ะหายเงียบเลยหลับไปเลยแต่ทีนี้เราก็ปิ้นจิตจิตกลายเป็นมือเหมือนถอยออกมาแล้วก็ไปดูมันทีนี่ตื่นทีดีพอมันตื่นได้โอ้ยกำลังมีเลยนะทีนี่วันนั้นแห ม, มทั้งวันเลยอะ่ะ เพราะนใช้ได้ไปรถไปเรืออะไรก็ตามอะ่ะถ้าใครสามารถคุมตรงนี้ได้นะให้มันตื่นได้ตอนแรกๆนี่แหละผ่านมันไปได้โอ้จิตนี้กําลังมากเลยสติสัมปชัญญะดีมากตอนนี้วอนเนี่ยโอยมันเอาไปกินเอาธรรมะไปกินเยอะเลยพวกเนี่ยผลของการปฏิบัติเนี่ยถ้าโดนนิวรนเข้าไปแล้วอ่อนโยบเลยเพราะนั้นตานี่หนแหละทีน่ามีแต่นิวรนตัวหนึ่ง วกามมาฉันทานิวร์เราก็รู้แล้วลูกรถกีเ่เสียงสัมผัสเราต้องระวังเอาพยาประทานิวร์ใ้พวกนี้แหละความคิดขุนเครืองโกรธเครืองอยากทำลายคนอื่นอย่าข่มเหงรังแกเขาประเภทนี้ยก็ต้องรูม้มันรู้จักให้อภัยรู้จักแผ่เมตตาเตรียมตัวไว้ให้ดี ที่มิทานิวรนกุฏิจักูกุจานิวรต้องน้อมใจไปทางสงบมันทีโอ้จิตมันไหลไปทางโน้นทางนี้นึกถึงอารมณ์ที่มันทําให้เราสงบขึ้นมาบางคนเคยไปอินเดียไปต้นสีมหาโพธิ์พอได้เข้าไปตรงนั้นมันเย็นใจน้อมไปทางสงบก็น้อมไปมันก็สงบไปได้นรืเราเคยกราบพระตรงนั้นตรงนี้เคยไปที่นั่นที่นี่แล้วมันสงบ น้อมใจไปหาความสงบนั้นได้ดื่มชาหนิวานี่อย่าไปเพ่งมันชั่ามันสงสัยก็จะไปคี้ขี้ให้มันออกอยู่มันก็ยิ่งไปใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ดูมันก่อนดูมันรู้ว่ามันสงสัยหรือว่าตั้งใจไว้เดี๋ยวไปคนดูก็ได้ถามผู้รู้ก็ได้เดีนี้ใ น, ในสื่อมันเยอะค้นดูในเน็ตก็ได้ ในหนังสือในซีดีได้หมดอ่ะในพระไตรปิดกเนี่ยมันก็บันเทาลงไปก็ปฏิบัติต่อไปได้นี่ต้องข้ามนิวรณ์พอข้ามนิวรณ์ได้เป็นสัมมาสมาธิแล้วทีนี้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องผ่านการตั้งมั่นนะตั้งมั่นแล้วเริ่มรู้ความจริงแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นกนัเห็นมันดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยเนี่ยคราวนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเห็นมากขึ้นมาก ข, ขึ้นชัดเจน มองอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตรู้ทันทีเลยว่าเกิดแล้วตั้งดับไม่ใช่ของเรานี่ยานชัดเจนแจ้งขึ้นในจิตกําลังพอปุ๊บปล่อยหมดไม่มีอะไรเป็นของเรานี่แหละถ้ามันดูเวทนาอยู่ก็ตามมันก็ปล่อยวางเวทนานั่นแหละแต่มันจะชัดออกไปทั่วถึงอยู่ข้างในก็ตามเพ่งอยู่ข้างในในจิตแต่มันทะลุออกไปข้างนอกได้เข้าใจในธรรมชาติทั้งหมดนี่แหลความเป็นปโสดาบัน ความทุกข์มันจึงน้อยเนี่ยมันปล่อยได้เอาพูดตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติเริ่มต้นกลมาถามเบื้องต้นจนกระทั่ ง, ทงเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิมีสติสัมปัจจัญญะใจตั้งมั่นรู้ความจริงปล่อยวางตามลําดับลําดับเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสิกขาคามีพระนาคามีพระลาหัน์ถึงพระนิพพานค้นทุกข์แน่นอน นี่คือทางของพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังนี่ก็ถือว่าโอ้โหบุญมากมายมหาศาลแล้วความเป็นธรรมของพุทธเจ้าโดยตรงพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราครบแล้วประทานเอาไว้ให้คนที่ปฏิบตัติถ้าปฏิบัติแล้วถึงเวลาต้องถึงเหมือนกันหมดเราก็ต้องถึงเหมือนกันทางันเดียวกันหมดเลย ต่ถึงเมื่อไหรเอาก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเราบางคนก็มุ่งเอาชาตินี้บางคนก็เอาไม่ได้ชาตินี้ไม่เป็นไรอะ่ะจะตต่อไปยังมีปฏิบัติเลื่อนไปแต่ใครเดินตามทางพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเจริญขึ้นแปลกจริงๆนะทางของพุทธเจ้าเนี่ยขอยมั่นคงนะชื่อสัตว์ชื่อตรงนะจริงจังเลยนะ นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่เอาอย่างอื่นเลยนะพูดผีปีศาจไม่เอาเครื่องรังของขังไม่เอาเด็ดขาดอย่างนี้เลยนะลงใจได้เลยสามารถบอกกับตเองได้ว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเลยได้ผูกของผูกแขนไม่หวังพื่อนใดทั้งหมดขับรถขับเรือเขามีของขังศักดิ์สิทธิ์การนู่นกันนี้ไม่สนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเหมือนนางวิสาขานี่แต่งงานไปอยู่กับพวกมิชาทิฏฐิด้วยนะ พ่อสามีนี่โอ้โหใจแต่นางวิสาขานี่เขารบพระพุทธเจ้ามากเวลาเดินไปมันสะดุดนิดนึงกับ น, นโมทสะเออของเขาใช้คาว่านโมทสะใายละห น, น้อบพุทเจ้าทันทีเลยมีอะไรเสียงดังหน่อยนโมทสะคือตกใจไม่ได้เลยนโมทสาวมาเองเลยของเขาพ่อสามีเคยเตือนบอกอยากให้หยุดแต่นางวิสาขานี่เขาทำหน้าที่ดีมากเลยนะ เขาทํางานทําการดูแลพ่อสามีแม่สามีสามีหน้าที่ตัวเองไม่บกห้องเลยพอพ่อสามีสามีอะไรมาทักทายอยากให้เลิกพูดนะโมตัสสะนางก็บอกว่าอ๋อที่นางเนี่ยทําหน้าที่ดูแลพ่อสามีอย่างดีทําหน้าที่ดูแลแม่สามีอย่างดีทําหน้าที่ภรรยาดูแลสามีอย่างดีดูแลคนรับใช้อะไรอย่างดีก็อาศัย คำสอนของพระพุทธเจ้านี้อาศัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมวสุ์และจะให้เลิกกล่าวคำนอบน้อมต่อพระเจ้าน่ะก็คือให้เลิกดูแลพ่อสามีดูแลแม่สามีดูแลสามีดูแลทุกอย่างนั่นเองเอถ้าท่านแนะนามไม่เป็นไรได้แต่ว่าขอวันหนึ่งได้ั้ยวันพรุ่งนี้จะเชิญถะาของเขามาโอรารัที่กันไม่ให้กล่าวคาว่านโมตสัต นางก็รับปากกันนะที่นางก็ทาหน้าที่ดูแลจัดอาหารจัดอะไรลำเลียงมาคือสะดุดทีนี้นโมตระสะขึ้นมา ท, ทันทีเลยเอ่าเป็นอัตโนมัติเลยพวกพระพวกอะไรโกรธไม่พอใจหนีเลยกลับบ้านเดียวนั้นเลยกลับสำนักเลยพ่อสามีหรืออะไรก็ไม่รู้นะ โกดพระพุทธเจ้าทีนี่แนี่จโกดนางวิสาขาทํำอะไรนางไม่ได้แล้วจะเป็นนางวิสาขาหรือใครก็ไม่รู้นะเนี่ยเนีคร้ายๆกันนี่แหละแบบเดียวกันน่ะตัวอย่างกันเดียวกัน่ะวิ่งไปหาพระเจ้าเลยวิ่งไปจะไปท้าอโต้วาทะะจะไปโตวาตพระพุทธเจ้าเลยโกดมากอ่ะวิ่งไปถึงก็พระเจ้าก็แสดงธรรมไม่ฟังไม่ได้กลับเลยขอบวช ในสมัยพระเจ้าก็มีปริพัตชคพวกนอกศาสนาเนี่ยไปโตวาทะกับพระองค์แล้วก่อได้บวชเยอะบวแล้วเวลาบนรุธ้ธรรมก็พ้นทุกข์เหมือนกันหมดไม่มีทุกข์ของเรานี่เขารบเลื่อมใสในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเอาให้จริงเลยถ้าใครจริงมีสัจจตรงนี้นะ โอ้โหรอดปลอดภัยแน่และอ่าเหมือนมีพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อยู่ในใจแล้วเจอปัญหาอะไรขึ้นมามั่นใจเลยข้าพระเจ้าถึงขบูลพระธรรมพระสงค์ว่าเป็นที่พึงจริงโอโ้แค่นี้นะปลอดภัยได้ไม่เชื่อลองดูได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีชีวิตเจริญขึ้นเอาให้จริงนี่ที่เราเห็นมันเยอะมากเลยนะ ได้ผลดีภาวะสูงขึ้นไปอีกรักษาศีลมีพระรัาตนากายเป็นที่พึ่งถูกต้องแต่ก็รักษาศีลแหละทีน่นี้เอาศีลห้ามาปฏิบัติสำหรับโยมตามฐานะศีลแปดแล้วแต่จนมีสติสัมปชัญญะ รู้เจตนาที่ไม่ดีปล่อยวางเจตนาที่ไม่ดีนั้นได้มีความละอายคือสติเนี่ยสัมปัชย์ชัญญาจะไปดูจิตพอจิตมันเริ่มมีเจตนาไม่ดีขึ้นมาปั๊บความคิดไม่ดีมาปั๊บมันจะรู้สึกละอายขึ้นมาแล้วันจะปล่อยวางมันไม่จะไปพูดไม่ไปทํานี่เขาเรียกว่าละเจตนาที่ไม่ดีจิตก็เป็นปกติเนี่ยเอาเวลาสีเนี่ยมันทําให้จิตเป็นปกติ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายปกติมากขึ้นก็เป็นสมาธิที่บุญมากที่สุดอนุภาพมากที่สุดรประพุทธพมัญจันเนี่ยที่เราปฏิบัติตามทางองุติเจ้านีหละ่ะวางใจให้ถูกปฏิบัติให้ถูกให้ตรงเพื่อเอารัาบรองบุญมากที่สุดอนุภาพมากที่สุด ไปตามลําดับด้วยมีสติรักษาจิตเป็นสมาธิกันสูงขึ้นไปตามลำดำับดับดับบุญมากขึ้นตามดับมีสติสัมปชัญญะเห็นพระไตรลักษ์ปล่อยวางได้เป็นลําดับลําดับขึ้นไปบรรลุมัจยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่สุดท้ายถึงปณิพานถึงารก็สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าใครถึงปณิพานแล้วยังช่วยพระาศาสนาอีกโอ้โหข่าวนี้นี่ มันบอกไม่ถูกเลยนะไปทางไหนนี่เหมือนกับมีอะไรคอยแวดล้อมคอยดูคอยแลคอยปกปกักรักษาคุ้มครองนี่มันมีความอัศาจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าใครทำบุญด้วยทำน้อยก็เป็นมากทันทีเลยนะเวลาใครให้อะไรจิตที่มันบริสุทธิ์จิตที่มันมีความสงบมัน แสบซ่านออกไปอย่างนี้มันมีอนุภาพมันก็เลยทำให้คนที่มาเกี่ยวข้องเจริญแต่คนที่เกี่ยวข้องนั้นก็ต้องมีความจริงจังจริงใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยและเจริญแน่นอนเลยทีนี้บุญของตัวเองด้วยพลังบุญของตัวเองด้วยพลังของครูบาอาจารย์ด้วยของพระด้วยเนี่ย รวมกันคราวนี้แล้วก็จเจริญแน่นอนเราเปลียนตัวนะเดี๋ยวเราจะเลิกแล้วนะให้ดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะดูเหมือนกับเตรียมจะล่ำลาพระพุทธเจ้ามาันก็ดูเป็นโอกาสสุดท้ายดูให้แจ้งให้ชัด ว่าวันนี้การปฏิบัติของเราขณะนี้เป็นยังไงดูเป็นโอกาสสุดท้ายเลยแล้วก็ทําความตั้งใจว่าขอให้การปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบรูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้า ขอให้การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแล้วก็เลยทําความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ของเราแล้วที่นี่ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ตามวางหมดเลยวางเลยบูชาพระพุทธเจ้าสุดท้ายเลยไหนไหนก็จะเลิกละเอาการปฏิบัตินี่แหละบูชา ก็เหมือนกับว่าเอาร่างกายนี่แหละบูชาเอาจิตใจนั่นแหละบูชาเพราะเราเอากายเอาใจเราปฏิบัติทำเหมือนกับมันไม่ใช่ของเราที่นี่ก็พระเจ้าก็บอกตัดไว้เองว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็เลยเอาโอกาสนี้ละ่ะมอบถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชามอบไปแล้วก็แค่รู้ที่นี่คือมันทํายังไงได้ผู้รู้มันก็ยังอยู่ ก็เหมือนกับว่ารู้เหมือนไม่ใช่ของเราอะ่ะถ้าเรารู้ไม่ได้มันยังอยู่ปกติกรช่างมันเราก็ทําความรู้สึกว่าเรามอบแล้วแต่ถ้าบางคนพอ ม, มอบแล้วมันเหมือนกับมีเหมือนกับอุปมาเหมือนกับเอาดอกไม้ไปวางไว้เสร็จแล้วเราถอยมาออดอกไม้ก็วางไว้อย่างนั้นเนี่ยวางไว้บูชาเราก็ถอยมาดูอยู่คราวนี้เราก็ทําเหมือนกับว่า เ, เราดูอยู่อะ่ะดูกายดูใจเราอ่ะเหมือนดูดอกไม้ ถ้าใครทำได้ก็แสดงว่าผลการปฏิบัติมันอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันสามารถเป็นได้จานักก็สอนตัวเองที่นี่เราจะสอนตัวเองอะไรบ้างเอาสอนได้สอนตัวเองแล้วก็อุทิศบุญเองให้อุทิศบุญเองบักเอาวันนี้พอแค่นี้นะ